ผู้ท้วยสวัสดีค่ะทางค่ะขอต้อนรับท่านทั้ง SM 106 ค่ะวิภักษาอาทิตย์เกินไปเราอุดรธานี จะเปิดถามที่ถามปิดด้วยพุทธวจนะคือนําเอาคําๆให้กับคําถามที่ค่ะกราบนมัสการใน เมื่อสัก 3-4 วันที่ผ่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้เป็น 260 ปีการ ซึ่งบอกว่าก็ 300 ปีก็ยัง ที่ชื่อว่าเอ่อมหาเถระนะคะค่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องภาษาบาลีคือท่านทุกคุณผู้ อ่าแตกต่างจากของไทยที่ยังไม่ค่อยได้ส่งเสริมการสอน จะมีการพัฒนาหลักสูตรทีมคาวศาสนาของไทยรัฐนี่ก็บอกเห็นด้วยอย่างยิ่งอ่าแสดงความคิดว่าค่ะเอ้าก็เนี่ยเอ่อตรัส พูดสอนบอกสอนเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจคําสอนที่เป็นคําสอนของ อ่าอย่างเช่นว่าเรื่องในช่วงๆเนี่ยเอ่อเค้าจะแปลว่าเปิดธรรมที่ปิดอยู่นะถึง เพราะฉะนั้นอย่างคนที่จิตใจยังไม่เปิดเต็มที่น่ะคุณยังไม่เปิด กังวาลคําว่าถ้าจะเรียนพระพุทธศาสนาท่านเห็นๆๆเห็นด้วย ถูกต้องยังงั้นหรือเปล่าคะอ่าอย่างจิตใช่จิตใจเราเนี่ยจะค่ะอันนี้ดิฉัน ว่าธรรมะของพระพุทธองค์ดีพอเราได้พบกับคนที่ใช่แล้วก็ไม่สามารถที่จะ มันก็ธรรมดาก็เข้าใจธรรมดาก็ก็ธรรมดานะก็เข้าใจธรรมดาแต่ถ้าเราไปดูภาษาบาลีโอ้โหมีความลึกซึ้งเข้าไปอีกในอย่างเช่นคําว่าสาวกอย่างเงี้ยสาวกค่ะนะสาวกเนี่ยเราก็ใช่ ก็คือผู้ฟังใช่อย่างนั้นป่ะคะใช่ก็จะไม่นี่เป็นยังไงเป็นปุรุชาเอาปุรุชาเป็นครู วัฒนไวยบริบทของพุทธศาสนาครูผู้สอนคือพระพุทธองค์พระจริงๆแล้วไม่ยากเลยคุณโยมเตียว recognize เมตติผู้ศึกษาหาความรู้ธรรมะเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้บางคนจะเป็นคนที่ละเอียดต้องเนี๊ยบ มันมันรู้เป็นศูนย์มีส่วนที่เราจะเปรียบเทียบได้สมมุติอ่ะเรา เอาแล้วไม่ต้องพูดถึงเอ่อสิ่งที่ใครเอามาเล่าต่อเราไปอ่านเลยอ่านจากพระไตรปิฎกอ่านส่วนเออมัน<ใช> นะต่อมานะมีหลายคร 20 ครั้งด้วยซ้ําอ่ะที่ว่าเราอ่านภาษาไทยปุ๊บเอ๊ะตรงนี้มันมันไม่จริงๆด้วยนะแปลไม่เหมือน นะ, นะ, นะ, นะ, คร 10 10 ครั้ง ดีกว่าไม่รู้กว่าเมรูแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ศึกษาภาษาไทยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะค่ะอ่าแล้วก็ค่อยๆคลําไปมาก็เหมือน พอมาระยะหลังนี่ก็เลยรู้สึกเห็นความสําคัญก็เลยไปเรียนแบบ เอ่อผู้ที่ประสงค์เนี่ยแหละที่ไปสอบอ่านเองสอบเองได้แล้วก็มาสอนตามหลักด้วยครับงั้นถ้าสมมุติเกิดท่าน อาจจะเข้าไปที่มจรก็ได้หรือว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งที่ชั้นก็เคยได้ยินนะคะว่าเค้าเปิดสอนเหมือนกันใช่แต่ถ้าแบบถ้าอาจารย์อย่างนี้ก็ต้องไป เมื่อพูดถึงภาษาบาลีแล้วในแล้วเผอๆจะได้ เอาให้พี่สวดทั้งหลายฟังแล้วพระมหากัจจานะอธิบายนะคือคําว่าอตีตังนาวะขะเมยยะนะปฏิคังเกอนาคตังสั้นๆแค่นี้นะอตีตังคืออดีตใช่มั้ยนาวะขะเมยยะนั่นก็คือหมายความว่าไม่ควรจะไปมุ่งหวังสิ่งที่ยังที่ล่วงไปแล้วคือบุคคลไม่ควรกําหนถึงสิ่งที่ล่วงไป ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะอดีตอนาคตอย่าไปมุ่งหวังมันอย่างและไม่ควรควรบุคคลไม่ค่ะเพราะฉะนั้นฉะนั้น ก่อนที่จะจัดการก็ถือว่าอันนี้นี่เป็นเนี่ยเต็มบานถูกต้องเอ่อไม่ ไม่ควรอะไรกับสิ่งที่ค่ะแล้วทํายังไงคะอนาคตก็ไม่ให้ยุ่งสิ่งที่ยังมาไม่ เห็นปัจจุบันน่ะด้วยค่ะนะคะนั่นก็คงจะต้องๆกับคําแปลเป็นวัน ท่านจะมีข้อ